ธรรมชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าออกพรรษาตาแตกแตวันนี้เป็นวันที่ย0สมิถุนา พุทธศักราช 2,554 ช่วงนี้รู้สึกว่าบริเวณวัดบริเวณหมู่บ้านของเราเนี่ยมรณภาพหลายท่านนะปีนี่ในช่วงนี้ไม่ใช่ปีนี้ช่วงนี้เมื่อก่อนนะก็ผู้กองวันกลนอนต่อมาก็บ้านนาคำน้อยนาคลังวันนี้ก็บ้านนาคลังได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ตูบัวถวายพระทหารพระสงฆ์เมื่อวานเนเก็บอัดเก็บถูกตามประเพณีวันนี้ก็อุทิศสวนกุศลนอันนี้ก็คือเป็นพอตูบัวนีก่ก่อนหน้านี้กับผู้เฒ่าก็เคยมารักษาศีลกับหมู่พวกเพื่อนมานอนวัดรั ก, รกษาศีลต่อปี ปีสองปีสนะุขภาพไม่ค่อยดีก็ดมรณะภาพนี่แหละชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อบอกกล่าวพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับน้ำค้างบนใบบัวพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบในครั้งพุทธกาล น้ำค้างบนใบบัวมัน ก, ก, ก็กลิ่งไปกลิ่งมากลิ่งมากลิ่งไปไม่แน่นอนถ้าลมพัดแรงๆน้ำก็ไหลกลิ่งตกลงจากใบบัวเดี๋ยวก่อนน้ำตกน้ำค้างตกมาอีกอยู่บนหลังใบบัวอีกมันก็กลิ่งไปกลิ่งมาหาความแน่นอนไม่ได้ชีวิตของพวกเราก็รับขณะอย่างนั้น พอเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนไม่มีใครรับประ ก, กันได้ทานอาหารดีๆตายก็มีนั่งรถไปดีๆตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีนั่งเรือตายก็มีนอนหลับไปตายก็มีสรุปแล้วก็พร้อมที่จะตายได้ทุกเวล่ำเวลานาทีเพราะนั้นขอให้พระพุทธเจ้าจึงเตือนพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ถ้าตายแล้วศูนย์มันก็ไม่มีปัญหาเพราะตายแล้วศูนย์มันก็ต้นไม้แต่ว่าตายแล้วไปเกิดอีกนะ่ะจุดนี้แหละจิตจุดที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความสนใจพอตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วออกวิญญาณออกจากร่างอวิญญาณนั่นคือผีพูดง่ายๆผีออกจากร่างคือวิญญาณ พวกเรากลัวนะ่ะกลัววิญญาณนะ่ะกลัวผีแต่ตามไม่จริงก็ไม่เป็นผีทุกคนหรอกเป็นเทวดาก็มีเป็นอินเป็นพรหมก็มีพอออกจากร่างไปแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างพระพุทธเจ้าก็มีแว่าก่อนที่จะอุดออกจากร่างนั้นท่าน ทำตนอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดเนี้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยควรปรับปรุงแก้ไขนามรรคธรรมาหรือใจตัวจะเป็นผีเนะ่ะหรือจะตัววิญญาณน่ะตัวผู้รู้่ะจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรท่านว่ามีทางเนี่ยมีหนทางปรับปรุงแก้ไขใจดวงนั้นได้ใจของพวกเราได้เพราะนั้นจุดนี้น่ะ ถ้าว่าเราเข้ามาวงศึกษา ว, วงในให้เขาว่าพร้อมที่จะตัดภพตัดชาติเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็ทำอีกแบบหนึ่งถ้าเราเป็นคราวาดเรายังไม่ถึงขนาดนี้ก็ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก การสังสมบูรณ์กุศลนั้นทำอย่างไรท่านก็สอนเป็นสอนฆราวาสญาติโยมพูดอยู่คองเรือนผู้อยู่คองเรือ น, อออนท่านก็ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะลับนอนไหวพระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลและก็ภาวนาให้ทานการอยู่ด้วยกันมากมายต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตา อย่าไปโมโหโกหกผูกอาคาตพยาบาทจองเวรฆ่าฟันรันแทงกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีน้ำใจต่อกันนะเมื่อเราเป็นฆราวาสถ้าเรามีน้ำใจมีเมตตาเราสร้างบุญสร้างกุศลนั่นแหละคนที่ใจดีคนที่มีเหตุผลนั่นแหละบุญกุศลก็จะเกิดขึ้น กับคนคนนั้นแต่ถ้าหาว่ามีแต่โกรธเกลี้ยวโมโหโกธาอย่งมีแต่ทำความชั่วเสียหายทุกอย่างไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรเลยไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกต่างหากคนคนนั้นแปลว่าไม่มีอนาคตไม่ได้คิดถึงอนาคตพอถึงวันนี้เรวก็มีแต่กินมีแต่เที่ยวอย่างสนุกสนาน เพิดเพลินเฮฮาไม่ได้คิดว่าวันพุ่งนี้จะอยู่ยังไงจะกินยังไงอนาคตจะเป็นยังไงไปว่าไม่มีอนาคตอวันพุ่งนี้ถึงวันพุ่งนี้ก็เอาอีกใช้อีกกินอีกเท่าที่ความสนุกสนานมีแล้วจะกินยังไงถ้าไม่หาพวกเราก็จะถทำถ้าไม่หาเราจะกินยังไงกินของเก่า กินของเก่าที่พ่อแม่หาให้ที่เราเกิดมาแล้วอยู่ในกองสมบัติมีแต่สนุกสนานกินไปไม่ได้หาเพิ่มเติมนี้ก็เหมือนกันพวกเรากินบุญเก่าพราะพวกเราได้สร้างบุญกุศลไว้ในอดีตเรามาได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นมีแต่กินบุญเก่า กินบุญชาติที่แล้วเนะี่ยเราไม่เชื่ออีกต่างหากผลที่สุดกินไปกินมามันก็หมดเหมือนกันนะกินของเก่าเหมือนกับ ก, กินแล้วเราไม่ได้หาเนหะมือนกับ ก, กินข้าวกินข้าวเก่าเราทํานาปีหนึ่งทําเมื่อปีสองปีให้หลังเรามากินทุกปีทุกปีเราไม่ทําต่อข้าวมันก็หมดเหมือนกันนี้บุญก็เหมือนกันถ้าเรามีแต่ทําบุญในอดีตชาติ มาชาตินี้เราไม่เชื่อเรามีแต่อยู่แต่กินนี่แต่เที่ยวแต่เล่นสนุกสนานการพนันการพนงการพนันแต่ศีลห้าไม่มีไม่ระลึลกถึงคุณงามความดีเลยเพราะไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอันนี้ป่าวิกินบุญเก่าพอกินบุญเก่ามันก็หมดหมดหมดบุญเหมือนกันบาปก็หมดหมดเป็นเหมือนกันนะบาปนะพอเราทําบาป ในอนดีตชาติเกิดมาหูหวกตาบอดชาตินี่แต่ถึงจะเราจะไม่ทำความดีก็เถอะเราก็ใช้กรรมไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็หมดแต่ทางว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมานะ่ะอันนั้นแปลว่าเต็มตื้นขึ้นบุญบุญก็หมดไปได้ไอ้บาปก็หมดไปได้เหมือน เ, เราเข้าคุกนะเข้าคุกเข้าตารางพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไปอยู่ในคุก เขาก็นับเดือนนับปีผลในสุดก็หมดถึงกําหนดก็ได้ออกมาแต่บางคนเข้าไปในอยู่ในคุกในตารางเนี่ยไปสร้างคุณงามความดี เ, เขาก็ลดโทษให้พายอไรเพราะว่าเราเป็นคนคนดีมีคุณ้มีคุณภาพเราเห็นโทษเราเป็นคนดีผลในสุดก็น่าจะติดสิบปีเขาติดสองสามสี่ห้าปีเขาก็ให้ออกนี่ก็เหมือนกันนะั่นะ ถ้าหังว่าเราทำกรรมชั่วไว้ในอดีตแต่มาพบในชาติที่เราได้ใช้กรรมที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ดีให้ไล่ให้ผลแต่เราก็รู้่าเออเราทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตมาชาตินี้เราก็ทำกรรมแต่กรรมดีเสั่งสมคุณงามพรตีให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นคนดีใจดีมีเมตตามีน้ำใจรู้จักบุญคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาดูแลอุปสมะถากท่านโดยความใส่ใจด้วยความสนใจมีน้ำใจอ่อนน้อมต่อเพื่อนมนุษยชาติผู้ที่อ่อนน้อมแต่บุคคลดีไวัยวุฒิคุณวุฒิและบคุคคลดีไม่ใช่อ่อนน้อมกับคนชั่วชาติเสียหายไม่ใช่นะอ่อนน้อมถอมตนแต่คนดีเราต้องศึกษาใครเป็นคนดีต้องเคารพ คนดมคีมีคุณธรรมนี่แหละจากนั้นเราก็ทำตนเป็นคนดีมีศีลมีธรร ม, ม, รรมนี่แหละอันนี้คือบุคคลที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำไม่ใช่พระเจ้าองค์ไหนไม่ใช่เทวดาองค์ไหนไม่ใช่ใครจะบันดนบันดาลให้ถ้าเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้แล้วกรรมไม่ดีจะตามสนอง วันนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองจุดตูปปาปตยานะการจุดติของสรพสัตวทั้งหลายสรพสัตทั้งหลายคนคนนี้มาจากไหนมาเกิดที่นี่ท่านก็มองดูเออท่านค้นดูประวัติแล้วนั้นเออเหมือนกับเราเนี่ยเออมันมีมันมีบัตรประชาชนอยู่แล้วทุกวันเนี่ยเขาเขียนประวัติไวแล้ว ตั้งแต่วันเกิดเกิดที่ไหนลูกในอะไรนามสกุลอะไรบ้านอะไรตำบลอำเภอจังหวัดจากนั้นถ้าไปทำความชั่วขึ้นมาไปขโมยไกยเ่เขาเขาฟ้องขึ้นมาแต่เอายกโทษให้เพราะว่านิดหน่อยก็มีประวัติในศาลแหละในโรงในศาลในที่วการอำเภอะมีทำความชั่วติดคุกติดตารางเท่าไหร่ทำอะไรมาพอมาถึง จุดนี้ขึ้นมาเลยมาถึงจุดปัจจุบันเลยเขาเก็กดเอดูว่าประวัติของเขาเป็นยังไงทุกวันเนี่ยเขากดตับตั๊ตั๊ตแล้วก็รู้เลยทําความชั่วอะไรมากี่อยกี่ครั้งกี่เดือนกี่ปีทําอะไรมาบ้าง overlay. นี้ก็เหมือนกันนะนะพวกเรามาอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าท่านมียาณทัตนะท่านจะค้นดูเลยเอดเยกดดูเลยตับต๊บตับต๊บตับต๊บตดู เอาวักกรรมที่เขาตาบอดเขาวนี่แหะกรรมตัวไหน อ, อย่างพระจักกุบาลท่านก็ตูเป็นนักพจนักบวดปอมามาภาวนาตั้งจิตอธิษฐานไม่นอนสามเดือนตาบอดแต่บางคนก็ตาไม่บอดเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีกรรมแต่พระจักกุบาลเดงมีกรรมพระพุทธองค์ดูดูดดทําไมจึงมี มีเขาจึงตาบอดบอว่พาพระจักกูบาลเนี่ยในอดีตชาติเป็นหมอตาเป็นหมอตารักษาตาอตาคนไปเห็นยายหนึ่งมีอันติกินรวยว่าไงคนรวยพอพอที่จะแบ่งได้พอที่จะให้ค่ายาได้หมอยากลับไปรักษาพอรักษาที่นี่ก็รักษาก็อาการดีขึ้นเรื่อยเรื่อ ย, อ ย, ยพอต่อมาก็มันก็หาย หายแต่ตนนี้ไม่อยากจะจ่ายเงินให้หมอยาเนะี่ยพอหมอยามาถึงแล้วก็ทําท่าตาบอดคำหน้าคำหลังใครจะไปรู้จักมันไม่ได้ตรวจใช่ไหมล่ะหมอสมัยนั้นก็มีแต่รักษาธรรมดาพอหมอตาไปแล้วก็เนี่ยทําได้ทุกอย่างพอหมอตามาจะเก็บเงินก็เอาทําท่าตาบอดดูอย่างนั้น เราไม่รู้จะทํำยังไงเอายาขนาดไหนเข้าไปกันแต่ในคนข้างๆเขาก็บอกให้ฟังว่าเฮ้ย mm hmm. หมอตายายที่มันขี้โกหกมันตลบตะแลงนะแต่ตามไม่จริงมันทําได้ทุกอย่างพอหมอตาไม่อยู่แต่พอหมอตามานั่นแะมันทำท่าตาบอดเลยมันไม่ยอมไม่มันขี้เหนียวมันไม่อยากจะจา่ายค่ายา mm hmm. หมอยานี่เกิดโมโหขึ้นมางั้น เอาเถอะข้าจะแต่งยาให้มันตาบอดได้บั่นเนี่ยมันทําไมมันไม่ไม่จ่ายเงินให้เราเนะนี่ยนี่แหละแต่เนี้ยกับไปอีกไปเนี้ยก็ บ, บอกทยาเย้ยาขนาดเนะี้ยาตัดรากตัดโคนนะอแปลว่าใส่เข้าไปเนะี่ยจะหายเลยละ่ะนะยอดเข้าไปหายเลยยาตัวนี้ตัวนั้นมันยัง ม, มันอาจจะกลับคืนมาอีกได้อีกยาใส่ยาตัวนี้เข้าไปแล้วจะหาย ขาดเลยพอให้ยาเสร็จแล้วก็รีบลงมาจากบ้านยายคือนะก็อยากจะหายใช่ไหมล่ะไปก็หยดยาเขาเหมือนกับน้ำโกดแล้วใส่ปิ้งปิ้วเข้าไปตาบอดทั้งสองข้างเอีพอตาบอดทั้งสองข้างยายเนี่นก็หมดท่าเอยหมอก็ไปห ม, หมอก็ไม่ไปใกล้อีกเลยเพรามันตาบอดใส่ยาให้มันตาบอดผลลัพี์สุดนั่นแหละตาบอดแล้วก็แล้วล่ะ กรรมกรรมคือการกระทำหมอคนนี้ก็เลยใช้กรรมตาบอดมาเรื่อยๆจนมาถึงมาครั้งนี้เป็นพระจักคุบานเป็นลูกเศรษฐีไปบวชบวชเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในปา่าปฏิบัติธรรมตั้งคิดอธิษฐานจะเล่งความเพียรอย่างสุดๆในพรรษาจะเอ า, เอาจะเอาอริยบทสามยืนเดินนั่ง จะไม่นอนเด็ดขาดนะผลที่สุดพอวันออกพรรษาในก่อนพรรษาท่านก็เจ็บตาน้ําตาไหลตลอดเนี่ยกรรมให้ผลนะคืเขาเอายามาให้ท่านก็ไม่ยอมหยอดผลที่สุดท่านก็นั่งหยอดท่านไม่นอนหยอดผลที่สุดวันออกพรรษาตาของท่านก็บอดพอดีตบุตรเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นท่านตาบอด ผลลึสุดก็อท่านก็มากลับมาวัดป่าเชตตะวันท่านได้เป็นพระรหันต์แล้วจ้จากนั้นท่านก็ถึงท่านจะเป็นพระรหันต์ท่านก็ยังเดินยงกลมนะมีลาวให้ท่านก็จับลาวเดินโยงกลมเปลี่ยนอริยบทพระสงฆ์ทั้งหลายไปเห็นคืนวันนั้นฝนตกมแมลงเมาบินออกหากินพระจักกุบาลก็เดินยงกลมเหยียบมแมลงเมาตายเกลื่อนเลย พระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปเดินรอบวัดก็ここไปเห็นพระจักกุบาลเดินจง ก, มงกรมท่านก็ถามว่าเนี่ยทางเดินจงกรมใครเนี่ยบอกพระจักกูบาลพระสงฆ์เลยตำหนิว่าเออสมัยตาดีก็ไม่เดินจงกรมไม่ภาวนาแต่พอตาบอดแล้วทำท่าขยันเห็นไหมนะเหยียบมแมลงงดเหยียบบดเหยียแงแมลงเม่าตายเตื่นไปหมด ไม่รู้ว่าจะได้บุญหรือจะได้บาปก็ไม่รู้นะี่นี่แหละสมัยตาดีๆไม่ทำพอตาบอดแล้วตาท่าขยันพระสงฆ์เขาเห็นเขาก็ตำหนิเนี่พระสงฆ์ก็เลยมากราบพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เดินชมวัดไปเห็นพระตาบอดองค์หนึ่งเดินจงกรมแมลงเม่าตายไม่รู้เท่าไหร่กับพวกมดเพราะเหยียบมแมลงไม่รู้จะได้บุญได้บาปพระพุทธเจ้า ท่านตรัสว่านันะ่บุตรของเราระจากครูบาลท่านเป็นพระอรหันต์แล้วทำบาปไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญเพราะจิตของท่านหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสแล้วทำบาปก็ไม่เป็นบาปทำบุญก็ไม่เป็นบุญเพราะท่านไม่มีเจตนาเจตนาในเป็นหลักเพราะท่านไม่มีเจตนาที่จะเหยียบท่านก็เดินไปเพราะตาของท่านไม่เห็นท่านไม่มี ไม่มีบาปมีบุญแล้วท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วนั่นละบุตรของเราพระสงฆ์เหล่านั้นก็ถามว่าทำไมท่านมีอุปนิสัยบรารมีได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลขนาดนั้นทำไมตาท่านจึงบอดพระเจ้าค่ะเพราะพระเถรุยกอ ง, องก็บอกว่านี่แหละอันดีแต่ชาติของเขากรรมเป็นหมอยาและแต่งยาให้เขาจนตาบอดก็ใช้กรรมมาตลอด นี่แหละอันนี้ก็คือมาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายที่บอกขึ้นมาว่าคนเรานี่มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีมีผลของกรรมกรรมชั่วก็ให้ผลอย่างนี้เหมือนกันเอมพระพุทธองค์พอเขียนคนนี้คือมาท่านก็กดคอมพิวเตอร์อย่างที่ว่าแหม่กดตับตัตับ ต, ต, ต, ต, ต, ตไปมาจากไหนจึงมาบบรับดิบักกรรมเช่นนี้ คนที่รวยกูเหมือนกันท่านก็กดไปตัดๆๆๆปอีกทําไมเขาจึงรวยโอ้เขาได้ทําบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าได้ทําบุญกับพระอรหันต์เขาได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้เขาจึงรวยอย่างนี้ทุกคนเป็นไปตามกรรมกรรมโยนิกรมมพันธุกรรมปฏิสารโนกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอนไดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรา สิ่งไหนก็ตามที่เป็นกรรมชั่วและอย่าทำกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้โทษเมื่อภายหลังให้กรรมแต่ให้ทำแต่กรรมดีเมื่อทำกรรมดีและกรรมดีจะให้พวกเรามีแต่ประสบแต่ความสุขความเจริญไปเกิดณนภะพภูมิใดเมื่อมนุษย์นี่ก็เถอะถ้าเราทำแต่สิ่งดีแล้วสิ่งดีจะให้ผลถ้าว่าพวกเราไปทา ความชั่วเขาไปดีกรรมชั่วไปไปตีหัวเขาไปฆ่าเขาไปป่วนไปลักขโมยเขาอย่างนี้ไปทําถึงที่มันผิดกฎหมายเราก็ต้องวิ่งหนีกฎหมายหัวสุกหัวสุนอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุกเอเดือดทรวงไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราทํากรรมชั่วนะกรรมชั่วให้ผลเมื่อเราทำำํากรรมดีและกรรมดีให้ผลอยู่ที่ใดร่มเย็นเป็นสุกทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ว่ากรรมคือการกระทำํำ เนี่ยพาะนันในพวกเราทุกๆคนนะกรรมกัน ก, นกนระทำเขานี่ทำขนาดไหนทำมันจนพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกรรมคือการกระทาเหมือนกันถ้าพวกเราเทเข่งความภาคความเพียรภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบลรวก็พิจารณากลนกรองตรายตรองเหตุและผลวิปัสนา เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไม่มีแทคคิดไม่มีใครที่จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายได้เห็นไหมคนที่อายุไม่ตายมีไหมในโลกเนี่ยเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นแต่ทําไมใจของเราจึงไปหลงหัวเมาคิดว่าโลกทั้งโลกจะมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมใจแต่ถ้าก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจคือน้ํามธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวเป็นหลง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในเมื่อเราดูใจของเราแล้วใจยาหลงนะยาหลงกายนะขนาดกายตัวเองแท้ๆกนะ็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราทรัพ ส, สมบัติเงินทองทั้งหลายสามีภรรยาลูกหลานทั้งหลายตึกลานบ้านช่องที่อยู่อาศัยทั้งหลายประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลายจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดกายของเราจังไม่ใช่ของเรา จะออกไปเผาไฟทิ้งอีกสักวันหนึ่งนั่งในข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าวันไหนใจ่าหลงนะใจในเมื่อย้อนเข้ามาหาใจใจไม่หลงใจไม่หลงกายจากนั้นก็ไม่หลงใจไม่ลืมตัวอีกต่างหากไม่หลงไปลืมตัวอีกไม่พยองพองตัวอีกต่างหากรู้เท่ารู้ทันใจอีกต่างหากไม่รู้จะไปเสาะแสวงหาอะไรทางนอกดูใจเนี่ยจุั้นก็ปล่อยวางที่ใจ เมื่อปล่อยวางที่ใจก็หลุดพ้นที่ใจพระหันไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจมันอยู่ที่ใจใความผู้ไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจความโง่ก็เหมือนกันความโง่ううหรือหาที่ใจนะักเลงหัวม้อะไรมันอยู่ที่ใจทั้งหมดถ้านบอกใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมโนปุพังขงมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วใจ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ต้องศึกษาไปทางอื่นทางเข้าไ ม, ไม่เข้ามาถึงใจแล้วไปว่าผิดที่ผิดทางถ้าศึกษาเข้ามาสู่ใจแล้วนัะจุดหมายปลายทางด้วยจุดสูงสุดด้วยจุดที่พระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ดูใจแหมดูใจนะถ้าปล่อยวางที่ใจแล้วหลุดพ้นที่ใจเมื่อหลุดพ้นที่ใจแล้วจะมีอะไรสิ เพ้าอใจของเรารู้รอบขอบชิดหมดแล้วนะตอนนี้ไปรับพรอุทิศส่วนกุศลถึงพอตูหน้าตูกลาน